เรื่องที่ 16. อาหวสิกรรมบาปกรรมเป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ได้ทรงวิจัยแล้วอย่างละเอียดและทรงประกาศผลการวิจัยนั้นอย่างเปิดเผยและโดยปราศจากความเคลือบแกลงใดๆจนกระทั่งแบบนี้บรรดาพุทธสาวกก็ยังมีความภาคภูมิใจที่เสนอหลักวิชาเกี่ยวกับบาปกรรมแก่ชาวโลกในที่ทุกสถาน หลักวิชาดังกล่าวนั้นยืนยันว่าบาปกรรมที่ใครก็ตามทำลงไปแล้วจะต้องถูกจดจารึกอยู่ในดวงจิตของผู้นั้นมันเป็นเรื่องแปลกจริงๆคือแม้ว่าผู้ทำบาปกรรมนั้นเองได้หลงลืมการกระทำของเขาแล้วเพราะการเวลาล่วงเลยไปนานหรือเพราะเขาเองเห็นว่าเป็นเล็กน้อยก็ตามแต่รอยจารึกแห่งบาปกรรมนั้น หาได้ลบเลือนไปจากจิตใจของเขาไหมยิ่งกว่านั้นพระพุทธองค์ยังทรงพบความจริงจากการค้นคว้าทางด้านจิตใจขั้นสูงสุดว่าการที่คนทำบาปกรรมแล้วได้กระทาพิธีการบางอย่างเพื่อลบร้างบาปกรรมของตนก็ดีการบนบานสารกล่าวขอให้ผู้ทรงอำนาจลึกลับลบล้างไถถอนบาปกรรมให้ตนก็ดี แม้ว่าผู้นั้นจะมีความสุขสาราญใจจากการกระทํานั้นเพราะคิดว่าตนเป็นผู้หมดบาปแล้วแต่ตามข้อเท็จจริงปรากฏว่าบาปกรรมหาได้หมดสิ้นไปจากดวงใจของเขาไม่ความสบายใจของเขาเกิดจากความนึกคิดของเขาเองเท่านั้นทศนะ ด, ดังกล่าวนี้เป็นที่รู้กันในวงการทางศาสนาทุกศาสนาแล้วว่า เป็นทัศนะที่ขัดแย้งอย่างตรงกันข้ามกับความเชื่อในบางลัทธิศาสนาที่เชื่อว่าบาปกรรมอาจยกเลิกได้ด้วยพิธีล้างบาปรวมทั้งการขอร้องให้ท่านผู้ทรงอนุภาพให้ทรงรับบาปกรรมแทนตนการที่ข้าพเจ้านำเรื่องนี้มาปรารบไม่มีความประสงค์จะเปรียบเทียบหลักธรรมระหว่างศาสนาหาไม่ได้ แต่ข้าพเจ้าต้องการจะผูกปัญหาขึ้นให้ชาวพุทธได้พิจารณาตนเองเท่านั้นคือในขณะเดียว ก, กันกับที่เราถือทัศนะขัดแย้งกับฝ่ายอื่นเราบอกว่าบาปกรรมยกเลิกไม่ได้แต่เรากลับส่งเสริมการขอขมาโทษการปรงอบัตและการให้อโหสิแก่ผู้ที่ทำผิดขอขมาพระรัตนตรัยก็มีขอขมาศพก็มี ขอเข้ามาคนเป็นเป็นนี้ก็มีเรื่องเหล่านี้หมายความว่าอย่างไรผิดหรือถูกน่าจะสางกันดูสักทีไม่เช่นนั้นชาพุทธเองอาจจะพลาดคืออาจคิดตำหนิศรัทธาของฝ่ายอื่นโดยสิ้นเชิงหรืออาจคิดว่าพุทธศาสนาก็มีทัศนะตตรงกับศาสนาอื่นโดยประการทั้งปวงซึ่งล้วนแต่ไม่เป็นผลดีด้วยกันทั้งสิน้น อโหสิกรรมคืออะไรก่อนที่จะพูดถึงเหตุผลที่ว่าบาปกรรมยกเลิกได้หรือไม่ชนิดใดเลิกได้ชนิดใดเลิกไม่ได้และเพราะเหตุใดโปรดทบทวนความทรงจําและความเข้าใจสักนิดก่อนเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับเรื่องกรรมโดยทั่วไปทั้งบาปกรรมทั้งบุญกรรมเพื่อเป็นการจํากัดขอบเขตของปัญหา และเป็นการปูพื้นเรื่องไว้ก่อนทัศนะของพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับเรื่องกรรมมีอยู่ว่าการกระทําของคนเราที่เราทําอะไรอะไรกันอยู่ทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการพูดการฟังการเขียนการอ่านการกินการเที่ยวการนินทาสรรเสริญกันการให้กันการขโมยกันและการอื่นๆรวมทั้งคิดนึกด้วยใจเช่น นึกรักกันนึกโกรธกันนึกชอบกันนึกริษยากันนึกเมตตาการุณากันนึกจะล้างผลาญข้ามห่านกันและการนึกอื่นๆสารพัดอย่างรวมเรียกว่ากรรมทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราจึงให้คำจำกัดความสั้นๆว่ากรรมคือการกระทำนี้เป็นหลักการทั่วไปแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่ว่า การกระทำใดที่เป็นไปโดยที่ผู้ทำไม่ได้มีเจตนาที่จะทำการกระทำนั้นไม่เป็นกรรมเช่นคนไข้ชักดิ้นด้วยแรงไขาหากมือไม้จะไปป่ายเอาคนพยาบาลเจ็บเนื้อเจ็บตัวไปการทำให้เขาเจ็บนั้นก็ไม่เป็นกรรมหรือคนที่นอนหลับแล้วละเมอหากคำที่ละเมอนั้นจะเป็นคำเท็จหรือคำหยาบการพูดนั้นก็ไม่เป็นกรรม ในทางใจก็เหมือนกันความคิดร้ายใดๆที่เกิดในความฝันก็ดีในขณะวิกลจริตก็ดีไม่จัดว่าเป็นกรรมคงเป็นศัก์แต่ว่าการกระทาเฉยๆรวมความว่ากรรมคือการกระทาด้วยความจงใจเท่านั้นการที่พระพุทธศาสนาถือว่าใจเป็นตัวการในการทำกรรมนั้นมีเหตุผลที่เห็นได้ไม่สู้ยากนัก เพราะใจเป็นผู้คิดทากรรมและเมื่อทำแล้วก็ใจเป็นผู้เก็บบันทึกไว้ข้าพเจ้าขอหลีกเว้นจากการอธิบายเรื่องจิตเก็บสะสมกรรมไปสักครั้งเพราะอธิบายไว้ที่อื่นมากแล้วแต่จะขอให้ก้อเปรียบเทียบเป็นแนวคิดง่ายตัวเรานี้ก็เหมือนกับกล้องถ่ายภาพคือร่างกายเหมือนตัวกล้องใจเราเหมือนฟิล์มสาหรับนักเล่นกล้อง ผู้เท่านี้ก็ทราบเรื่องปปโปรโงแล้วแต่ท่านผู้อื่นอาจจะยังชะโงนอยู่คือกล้องถ่ายภาพทุกชนิดไม่ว่ากล้องถ่ายภาพนิ่งหรือกล้องถ่ายภาพหนังข้างในกล้องเขาสอดวัสดุชนิดหนึ่งเอาไว้สำหรับบันทึกรูปภาพที่ถ่ายเรียกว่าฟิล์มถ้าข้างในกล่องไม่มีฟิล์มถึงถ่ายภาพก็ไม่ได้ภาพหรือแม้มีฟิล์มแล้ว แต่คนถ่ายไม่ได้หมุนฟิล์มให้ตรงช่องรับภาพก็ถ่ายเกอร์เหมือนกันคือถ่ายแล้วก็ไม่ได้ภาพที่ไม่เดือรูปก็เพราะไม่มีที่ที่รูปจะติดตัวกล้องนั้นถึงจะราคาแพงตั้งพันตั้งหมื่นแต่ก็ไม่มีที่ที่รูปจะติดอยู่เลยรูปอยู่ได้แห่งเดียวคือที่ฟิล์มเท่านั้นตัวคนเรานี้ ก็มีส่วนประกอบคล้ายคลึงกับกล้องถ่ายรูปมากในปัญหาเรื่องการทํากรรมนี้เพราะตัวเราแต่ละคนก็มีส่วนประกอบสองส่วนคือมีตัวกับมีใจตัวเหมือนกล้องใจเหมือนฟิลม์มจะต่างกันก็อยู่ตรงว่ากล้องถ่ายรูปนั้นส่วนมากถนัดในทางถ่ายรูปคนอื่นสัตว์อื่นส่วนรูปของกล้องถ่ายนั้นเอง มักจะไม่เคยเข้าไปปรากฏในฟิล์มครั้นถ่ายได้แล้วก็ฟิล์มใส่แผ่นกระดาษไปดูหรือไม่ก็เอาไปฉายใส่จอให้คนดูแต่กล้องชนิดเดินได้นี้ถานาดแต่ถ่ายรูปบทบาทของตัวเองใจของเราแต่ละคนได้เริ่มเก็บบทบาทของเราเองเรื่อยมาตั้งแต่นอน ตั้งแต่ยังเป็นเด็กไปเที่ยวจับจิ้งเร็ดหรือปั่นหนวดให้มันกัดกันจนกระทั่งโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแสดงบทบาทรักกันโกรธกันทะเลาะกันเรื่อยไปจนกระทั่งหันเข้าวัดจำศีลภาวนาฉากแล้วฉากเล่าจนกระทั่งฉากสุดท้ายนอนหายใจแผ่วๆนึกถึงพระอระหังสติสตังลางเลือนจนแทบจะนึกอะไรไม่ได้เลย ลมปราณหมดสิ้นแล้วก็เลิกถ่ายจบไปเรื่องหนึ่งชีวิตและร่างกายของคนเราสิ้นสุดแล้วเพียงเท่านี้แต่ใจซึ่งเก็บภาพของเราเองไว้อย่างเต็มที่นั้นหาได้สิ้นสุดไหมนึกถึงเรื่องฟิล์มถ่ายรูปถ่ายหนังก็แล้วกันคนแสดงบทบาทเขาก็เลิกแสดงแล้วคนถ่ายเขาก็เลิกถ่ายแล้วกล้องถ่ายเขาก็เก็บแล้ว แต่ภายในฟิล์มสิยังมีบทบาทอยู่ครบทุกตอนล้างเสร็จแล้วเอาเข้าเครื่องฉายเมื่อไหร่ภาพเหล่านั้นก็จะแสดงบทบาทวาดลวดลายให้คนทั้งหลายดูต่อไปที่ข้าพเจ้าบอกว่าใจเหมือนกับฟิล์มนั้นก็เหมือนกันตรงนี้เองตรงที่ร่างกายหูตามือเท้าเลิกแสดงบทบาทหมดแล้วอาตูกอื่นเผาเหลือแต่คีดเท่าแล้วด้วย แต่ใจที่ออกจากร่างไปยังไม่ยอมเลิกแสดงยังไม่ถือกำเนิดในร่างใหม่พอได้อวัยวะเครื่องไม้เครื่องมือก็วาดลวดลายต่อไปอีกข้าพเจ้าได้บอกแล้วว่ากล้องถ่ายรูปชนิดเดินได้นี้ถ้าน่าแต่ถ่ายบทบาทของตัวเราเองครั้นเมื่อตอนฉายภาพออกมาก็ฉายให้ตัวเราชมอีกเหมือนกันจนให้ตัวเองดูแล้วช้าใจ รวยให้ตัวเองดูแล้วยิ้มหัวและแสดงอะไรๆให้ตัวเองชมอยู่ตลอดเวลาทั้งดีทั้งเลวได้ดิบได้ดีมีหน้ามีตาให้ตัวเองเบิกบานบ้างหมดบุญหมดวาสนาหาศักดิ์ศรีไม่ได้เลยให้ตัวเองตรอมใจบ้างนี้คือหลักการทั่วไปในเรื่องกรรมตามทัศนาทางพระพุทธศาสนาถ้ายึดถือหลักการเพียงที่พูดมานี้ ท่านผู้อ่านจะไปรู้สึกว่าการเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้และน่าจะเห็นว่าถ้าเป็นเช่นนี้การขอขมาโทษและการอาโหสิกรรมไม่มีประโยชน์อันใดถ้าเช่นนั้นโปรดอ่านต่อไปอโหสิกรรมนั้นเป็นไปได้แน่การขอขมาโทษก็เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์แต่ว่าต้องค่อยๆพูดค่อยๆ ค, ค, ค, คิดใจเร็วด่วนได้มักจะเข้าใจผิด ราโห ındaki, สิกรรมก็ดีการขอเข้ามาก็ดีเป็นเรื่องของข้อยกเว้นเป็นหลักการเล็กที่ถูกครอบไว้ด้วยหลักการใหญ่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ที่ถูกขนาบด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ทั้งซ้ายทั้งขวาต้องระวังมากๆเรื่องหลักการเล็กที่ถูกครอบด้วยหลักการใหญ่หรือสิ่งที่เป็นไปได้ ที่ถูกครอบไว้ด้วยสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ที่ข้าพเจ้ากำลังจะพูดนี้ไม่ผิดอะไรกับหลักการรับประทานผลไม้บางอย่างเช่นหลักการในการรับประทานแตงโมซึ่งหลักการใหญ่มีอยู่ว่าการรับประทานแตงโมเราต้องรับประทานเนื้อของมันส่วนเปลือกให้ทิ้งเสียพูดง่ายๆว่าวกินเนื้อทิ้งเปลือก หลักการนี้รู้จักทั่วเมืองแล้วแต่ครั้นไล่เรียงดูให้ละเอียดอีกที่หนึ่งก็จะพบหลักการย่ออีกว่าความจริงเปลือกแตงโมที่ว่าให้ทิ้งเสียนั้นยังมีข้อยกเว้นคือยังแกงส้มกินก็ได้ถ้าได้แม่ครัวมือดีๆแกงเป็ดแกงไก่ก็ทำแกงส้มเปลือกแตงโมไม่ลงจริงๆใครไม่เคยก็ลองดูถ้าเช่นนั้น จะแก้หลักการเสม่ว่าการกินแตงโมนั้นให้กินเนื้อแล้วเอาเปลือกแกงส้มอย่างนี้จะได้ไหมก็ได้แต่ก็ยังมีหลักการย่อยภายในหลักการเล็กอีกแหละเพราะถ้าใครเกิดถือคำพูดอย่างถึงตรงเอาเปลือกแตงโมทั้งหมดลงแกงส้มก็แย่เพราะที่ถูกแล้วเขาคว้านเอาแต่ตรงเปลือกในขาวๆเท่านั้น ส่วนเปลือกนอกเขียวๆต้องทิ้งไปอย่าใส่ลงในหม้อแกงตกลงว่าหลักการในการรับประทานแตงโมเกิดซ้อนกันอยู่ถึง3หลักการคือหลักการใหญ่ว่าให้กินเนื้อทิ้งเปลือกหลักการเล็กว่าเปลือกจะทิ้งนั้นยังแกงส้มได้ส่วนหลักการย่อยว่าเปลือกที่จะแกงส้มนั้นเอาแต่เปลือกใน ที่พูดเรื่องหลักการในการรับประทานแตงโมนี้เพื่อจะวางข้อเปรียบเทียบกับเรื่องกรรมในประเด็นที่ว่าปัญหาเรื่องอหัวสีกรรมและการขอกมากันนั้นเป็นหลักการเล็กที่ขนาบอยู่ระหว่างหลักการใหญ่กับหลักการย่อยต้องค่อยๆจับค่อยๆพลิกจึงจะเจอพูดกันย่อๆคำสองคาไม่ได้ อาจทำให้คนดีๆที่พลาดพลั้งทําความผิดที่พอจะแก้ไขด้วยการขอเข้ามาเกิดเสียอกเสียใจเอามากมายจนจิตใจขาดความผุดผ่องเพราะคิดว่าไม่มีทางที่ตนจะแก้ได้ไม่มีอีกทีก็อาจทำให้คนที่มักง่ายได้ใจทาความผิดหนักมือขึ้นไปอีกเพราะคิดว่าทำแล้วก็ขอเข้ามากันได้ทีนี้จะขีดวงให้แคบเข้าอีก พูดเฉพาะเรื่องอโหสิกรรมล้วนๆอโหสิกรรมแปลว่ากรรมที่ได้เป็นแล้วคําว่าอโหสิแปลตามตัวว่าได้เป็นแล้วหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามันได้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาแล้วเป็นอีกไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นคนไข้ทางที่จะเป็นมีอยู่สองทางคือ หายหรือตายหากคนใข้าหายก็หมายความว่าเขาได้เป็นแล้วคือได้เป็นหายแต่ถ้าหากคนใข้าตายก็หมายความว่าเขาได้เป็นแล้วเหมือนกันคือเป็นตายพูดอีกทีหนึ่งว่าเป็นเป็นหมายความว่าเป็นไปตามที่มันจะเป็นยกตัวอย่างใหม่ก็ได้อย่างเช่ น, มนเมล็ดข้าวเปลือก ถ้ามันงอกออกมาเป็นต้นแล้วจะต้นเล็กต้นใหญ่ก็ตามก็เรียกมันว่าเป็นแล้วมันจะงอกอีกไม่ได้แล้วหรือถ้ามันเกิดเน่าเสียหรือมีคนเอาไปตำเป็นข้าวสารเสียมันงอกอีกไม่ได้เราก็เรียกว่ามันได้เป็นแล้วเหมือนกันไข่ไก่ที่มันฟักออกมาเป็นตัวแล้วก็เรียกว่ามันได้เป็นแล้ว มันจะฟักให้เป็นตัวอีกไม่ได้คือสำหรับไข่ฟองนั้นหรือถ้าไข่นั้นแตกเสียเน่าเสียไม่มีทางจะฟักเป็นตัวอีกเลยก็เรียกว่ามันได้เป็นแล้วเหมือนกันคำที่ว่าได้เป็นแล้วนี่แหละเวลาพูดเป็นภาษาบาลีก็ว่าอโหาสิเอามาตั้งเป็นชื่อกรรมที่ได้ผลอีกไม่ได้แล้วว่าอโหาสิกรรม ปัญหาต่อไปว่าอาโหสิกรรมมีมาจากไหนหรือกรรมอย่างไรที่เป็นอโหสิกรรมเพื่อความเข้าใจง่ายๆตามแบบเรียนลัดโปรโดพิจารณาฉาติต่อไปนี้ฉาิที่ว่านี้มีสี่เหลี่ยมอยู่ตรงกลางในสี่เหลี่ยมมีคำว่าตนอยู่เหนือคำว่าตนขึ้นไปคือข้อที่1ทิฏฐธรรมเวทนิยกรรม ด้านซ้ายของคําว่าตนคือข้อ2 อ, อุปชาวเวทนิยกรรมด้านขวาของคําว่าตนคือข้อที่3อปรารเวทนิยกรรมส่วนด้านล่างของคำว่าตนคือข้อที่4ี่อโหสิกรรมข้อที่1ชี้เข้าตนข้อที่2ก็ชี้เข้าตนข้อที่3ชี้เข้าตนส่วนข้อที่4ชี้จากตนไปหาข้อ4 ถ้าจัดสรรกรรมที่มีอยู่ในใจของเราแต่ละคนตามระยะเวลาที่กรรมนั้นจะได้ผลกรรมก็มีสี่ประเภทปรากฏในฉาดนี้โปรดเริ่มพิจารณาจากจุดกลางของฉาดก่อนคือในกรอบที่เขียนไว้ว่าตนซึ่งหมายถึงตัวเราแต่ละคนรอบตัวเรามีกรรมอยู่สี่ประเภทรวมทั้งอโหสิกรรมที่หนึ่งสองสาม ส่วนกรรมที่สี่นั้นไม่ให้ผลเสร็จแล้วกรรมพวกที่หนึ่งที่จะทาเวทนิยกรรมแปลว่ากรรมที่ให้ผลเฉพาะในชาติปัจจุบันหมายความว่ามีกรรมบางชนิดที่ให้ผลแก่ผู้ทาเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นตายแล้วให้ผลไม่ได้เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นเพราะเหตุว่าการให้ผลของกรรมชนิดนั้น ผูกพันอยู่กับร่างกายปัจจุบันนี้ถ้าเราเปลี่ยนร่างเสียแล้วก็แล้วกันไปยกตัวอย่างเช่นคนที่เข้าเรียนในโรงเรียนในร้อยเราเอาร่างกายชุดนี้ไปเข้าเราใช้หูตาปากมือเท้าและประสาทสมองชุดนี้ให้กรรมการตรวจรับรองกรรมการเขาก็ดูหน้าดูตาจดชื่อมารดาบิดาของร่างกายชุดนี้ไว้ โดยหลักการแล้วกรรมคือการเรียนในโรงเรียนในร้อยย่อมมีผลให้ผู้เรียนได้เป็นในทหารคนที่เป็นในทหารจึงสำเร็จจากโรงเรียนในร้อยอยู่ทุกวันนี้ก็คือกำลังรับผลกรรมที่ได้เป็นนักเรียนในร้อยนั่นเองแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่านักเรียนในร้อยคนหนึ่งพอเรียนจบก็ตายพอดีกรรมคือการเรียนก็หมดโอกาสที่จะให้เขาได้เป็นในทหาร เพราะกรรมชนิดนี้ผูกพันอยู่กับร่างกายปัจจุบันนี้เท่านั้นเปลี่ยนร่างแล้วก็แล้วกันไปกรรมก็ไม่ให้ผลกรรมที่หมดโอกาสให้ผลอย่างนี้ก็กลายเป็นอโหสิกรรมคือเป็นกรรมที่ได้เป็นแล้วเป็นหมดโอกาสอย่างไรล่ะท่านขอสมมติตัวอย่างอีกทีในเรื่องกรรมผูกพันกับร่างเดิมนี้อย่างเช่น หนุ่มสาวเกิดรักกันจนถึงกับมั่นกันไว้พยายามเอาอกเอาใจกันทุกอย่างญาพี่น้องก็รับรองรู้เห็นความรักและความดีที่เขาทั้งสองมีต่อกันแต่หากยังไม่ได้แต่งงานเป็นคู่ผัวตัวเมียกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเกิดมีอันเป็นถึงกับตายลงกรรมคือการมั่นแทนที่จะส่งผลให้เขาได้เป็นสามีภรรยากันก็หมดโอกาสที่จะให้ผล เพราะกรรมประเภทนี้ผูก พ, พันอยู่กับร่างกายปัจจุบันนี้เท่านั้นต้องรูปร่างหน้าตาเขนขาชุดนี้จึงจะอยู่ในข้อผูกพันพอร่างกายชุดนี้แตกดับไปกรรมประเภทนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดกันไปท่านผู้อ่านคงจะพอมองเห็นลางๆแล้วว่า อ, อโหสิกรรมมีมาจากไหนและใครทำให้กรรมที่เราทำไว้แล้วกลายเป็น อ, อโหสิกรรมไปเสีย ทีแท้แกลบก็มาจากข้าวเปลือกนั่นเองและผู้ทำให้ข้าวกลายเป็นแกลบหมดโอกาสที่จะงอกก็ครกตําข้าวในบ้านเราเองนี่แหละกรรมพวกที่2 อ, อุปชา ว, วนีนยกรรมตรงกันข้ามกับกรรมประเภทแรกคือกรรมประเภทแรกที่ว่ามาแล้วให้ผลแต่ในชาตินี้ถ้าตลอดชาตินี้ให้ผลไม่ได้ก็เลิกให้เหมือนกับ คนแสนงอนจะเอาอะไรในวันในพรุ่งถ้าไม่ได้อย่างใจก็ไม่เอาเลยส่วนกรรมประเภทที่สองกลายเป็นว่าชาตินี้ยังไม่ให้ผลรอให้คนทำตายซสก่อนแล้วจะได้ผลในชาติหน้าเพราะเหตุใดจึงไม่ให้ผลในชาตินี้ในเมื่อมีช่องที่จะให้ได้เพราะในชาตินี้ตัวของผู้ทำกรรม ยังครองร่างกายซึ่งเป็นผลของกรรมเก่าอยู่ร่างกายที่เกิดมาแล้วนี้ยังคุ้มครองตัวเขาอยู่จะทําให้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นกรรมคือการอิจฉาริษยาคนอื่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจะมีผลทําให้ผู้นั้นมีรูปร่างผิวพรรณขี้เริ้วขี้เร่แต่ถ้าสมมุติว่าคนที่รูปร่างหน้าตาสวย เกิดเป็นคนขี้ฤิษยาเขาก็จะต้องครองความสวยไปจนตลอดชาตินี้กรรมนั้นจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเขาไม่ได้จะต้องคอยไปจนกว่าเขาจะเปลี่ยนร่างใหม่คือตายแล้วเกิดใหม่จึงจะจัดการได้ในทางดีก็เหมือนกันกรรมคือการสนับสนุนความดีของคนอื่นเป็นกรรมที่จะทำให้ผู้นั้นมีผิวพรรณผุดผ่องงดงาม แต่ถ้าผู้ทำกรรมเป็นคนขี้ริว้วขี้เร่มาโดยกำเนิดแล้วก็ต้องทนรับผลกรรมต่อไปตลอดชาติกรรมใหม่จะเข้าให้เปลี่ยนรูปร่างผิวพรรณให้ทันทีทันใดไม่ได้นี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมกรรมบางอย่างจึงยังไม่ให้ผลในชาตินี้แต่ทั้งนี้ก็ให้ผลเฉพาะในช่วงระยะตั้งแต่เกิดถึงตายในชาติหน้าเท่านั้นหากในชาติหน้ามีกรรมอื่นมาให้ผลตัดหน้าเสีย ก็เป็นอันเลิกแล้วกันไปคือกลายเป็นโหสิกรรมกรรมที่จะให้ผลตัดหน้าได้ก็คือกรรมที่หนักกว่าอย่างเช่นอนันตริยกรรมสมมติว่านายคนหนึ่งมีกรรมที่จะร้องให้ปลดในชาติหน้าอยู่แล้วเป็นกรรมไม่สู้หนักนักครั้งอยู่มาอยู่มาเขาเกิดฆ่ามัรดาหรือบิดาของตนอันเป็นกรรมหนักที่สุด พอแกตายลงแกก็ต้องรับผลกรรมที่หนักที่สุดนี้ก่อนและอาจมีอันเป็นไปตามกรรมจนกรรมที่รอจะให้ผลอยู่แล้วหมดโอกาสกรรมที่รออยู่แล้วก็เลยกลายเป็นอโหสิกรรมในทางดีก็เหมือนกันพระองค์คริมานฆ่าคนตายมากมายควรจะตกนรก แต่ท่านสามารถทําความเพียรจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์ในบรรนปลายแห่งชีวิตการบรรลุอาหารหันต์นั้นเป็นกรรมหนักที่สุดในทางดีพอท่านสิ้นชีวิตก็เข้าสู่ปรินิพานเสียไม่เวียนว่ายตายเกิดอีกกรรมทั้งปวงที่ทําไว้ก็กลายเป็นโหสิกรรมไปกรรมพวกที่สามอภ ร, รารเวทนิยกรรม เป็นกรรมประเภทที่จะให้ผลในชาติถัดจากชาติหน้าไปอีกคือตลอดเวลาที่ยังครองร่างกายนี้อยู่ยังไม่ให้ผลตลอดเวลาที่ครองร่างกายถัดไปจากร่างกายนี้ก็ยังไม่ให้ผลต้องสละร่างนั้นแล้วจึงจะให้ผลได้กรรมประเภทนี้ได้แก่กรรมที่ไม่หนักหนาคือไม่ใช่ดีมากไม่ใช่เลวมาก อยู่ในลักษณะพอดีพอร้ายการประเภทนี้เวลาปรากฏอยู่ในจิตก็อยู่ในสภาพเลนลางไม่เด่นชัดจะให้ผลได้ก็แต่เมื่อไม่มีกรรมอ่นมาบังแล้วเหมือนรูปภาพที่เขียนไว้รางเลือนเต็มทีถ้ามีความมืดบดบังแม้เล็กน้อยก็มองไม่เห็นฉะนั้นจึงต้องรอจังหวะทีนี้ระหว่างรอจังหวะที่ให้ผลอยู่นี้ถ้ารอนานๆเข้า กรรมใหม่ของผู้นั้นก็พ่อปูนมากขึ้นทําให้กรรมเล็กๆน้อยน้อยที่รออยู่ก่อนนั้นต้องรอเกอ้อจนกระทั่งหมดฤทธิ์ไปเองก็มีเปรียบเหมือนเราเก็บข้าวปลูกไว้แล้วรอว่าปีหน้าจะหวานครั้นถึงปีหน้าเกิดฝนแรงหวานไม่ได้รอไว้ปีต่อไปอีกครั้นถึงปีต่อไปเกิดน้ําท่วมนาหวานไม่ได้อีกต้องรอปีโน้น ครั้งถึงปีโน้นปอกระเจาเกิดมีราคาเราเลยใช้นาปลูกปอข้าวปลูกกระบุงนั้นก็ต้องรอต่อไปครั้นรอนานๆเข้าถูกแดดบ้างถูกฝนบ้างมันก็เลยงอกหนอกออกมาแล้วผ่านเน่าไปเลยไม่มีทางจะงอกได้อีกแล้วก็เลยกลายเป็นมเมล็ดข้าวเอาหสิไปคือมันได้ไปแล้วไม่มีทางเป็นได้อีก เรื่องอะไรต่างๆที่เราต้องรอก็มักจะอย่างนี้ทั้งนั้นความรักที่ต้องรอสิทธิ์ที่ต้องรอลาบที่ต้องรอมีหวังรอเกอ้อเสียแหละมาหากจะยืมสํานวนในเรื่องกรรมมาใช้ก็อาจเรียกว่ามันกลายเป็นอโหสิรักอโหสิสิทธิ์และอโหสิลาบช่วยไปทั้งแถบกรรมเหมือนกัน หากรอนานๆก็อาจกลายเป็นอโหสิกรรมไปจากข้อความที่พูดมานี้ท่านจะเห็นว่ากรรมนั้นแยกไว้เดิมสประเภทคือกรรมที่จะให้ผลในชาตินี้กรรมที่จะให้ผลชาติหน้ากรรมที่จะให้ผลชาติัดไปและสุดท้ายคืออโหสิกรรมแต่เมื่อคลี่คลายออกดูกันจริงจังแล้วกรรมที่เราทําจริงๆมีสามพวกเท่านั้น ส่วนพวกที่4คือโอโหสิกรรมนั้นมันกากกรรมถ้าจะเขียนฉาดดูกันง่ายๆก็จะเป็นรูปนี้ฉาดนั้นก็คือมีกรอบเสี่ยมข้างในกรอบคือข้อที่4ี่โอโหสิกรรมส่วนด้านบนกรอบมีกรรมที่1กรรมที่2กงคที่3แล้วก็มีลูกศรแต่ละอันชี้ลงมาที่โอโหสิกรรม หมายความว่าอาโหสิกรรมคือกากกรรมสามอย่างที่หมดเวลาให้ผลแล้วหากจะเปรียบกับข้าวที่เปรียบมาแล้วก็เหมือนกองขี้แกลบข้างโรงสีนั่นเองข้าวสารก็ไม่ใช่ข้าวปลายก็ไม่ใช่รำก็ไม่ใช่มันจึงเป็นขี้แกลบเพราะฉะนั้นหากไม่กลัวว่าท่านผู้อ่านจะทึกทักว่าพูดเข้ารกเข้าป่า ข้าพเจ้าอยากจะเรียกโ อ, อโหสิกรรมว่ากแกลบกรรมเสียเลยรู้แล้วรู้รอดไป6มิถุนายน2504